f i languages. Thirty-two. Treinta d At restaurant. c u o f r e e s w t a t o s a e Una porción de patatas fritas con ketchup. และมายองเนสสองที่ยีเ s s a วสันมายองเและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ยี s a l s i t ิ e s torrades amb m o s t a s t s a คุณมีผักอะไรบ้างคะ Quines verdures teniu? คุณมีถั่วไหมคะ teniu m ว n g e t e s Fasols? คุณมีดอกกระหล่ำไหมคะกะตันิวคุลิฟลอดิฉันชอบทานข้าวโพดหวานมาร์กาดาลบลัดดามอรดิฉันชอบทานแตงกวามาร์กาดาลคูกอมเบรดิฉันชอบทานมะเขือเทศมาร์กาดาโนสตูมาเกช คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะ t a m e b é l y agrada el puerro. คุณชอบทานกระหล่ำปลีดองด้วยใช่ไหมคะ t a m b é l y agrada el chucrut. คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะ t a m b é l y agrada las lentejas. คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะ t a m b เป็ดต a ะการ์ดา a ลา a ปาสตานากสคุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะ També t a g r a d การ์ดานบรอกโคลคุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะ També ป็ดต a g r a d a ดานปาบรอดดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่โนมากราดานลาเซบ a ดิฉันไม่ชอบมะกอก No m'agraden olives. les ดิฉันไม่ชอบเห็ด